สัมพุทธา <c oughs> นากาหาปนะวเสนติติกามสุวิชติตีติณ <c oughs> บัดนีจ้จกริสแดงพระธรรมเทศนาเพื่อประกาศศาสนธรรมคำสั่งสอน ององสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองศรัทธาท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ณนะพระโบสถวัดพรยุรวงศาวาสเพื่อหาโอกาสบำเพ็ญบารมีคือการทำความดีต่างๆ ในการทำความดีต่างๆนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายเป็นไปด้วยความราบรื่นให้เกิดความร่มยินเป็นสุขทั้งแก่ตนเราครอบครัวของเราประเทศชาติของเราหรือจะยิ่งใหญ่ไปกว่า น, นั้นก็เพื่อโรคของเราให้โรคมีสันติภาพให้โรคมีสันติสุขเป็นต้น ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธิชนจึงได้มาพร้อมกันทุกวันพระอันเป็นวันธรรมมัตส่วนนะถามว่ามาเพื่ออะไรตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมนั้นดีอย่างไรองค์สมเด็จพระโรมัสาสดาต ร, รัสไว้ว่าอย่างในน้อยก็ขอให้เกิดอานิสงส์เบื้องต้นประการที่หนึ่งคืออะไร ได้ฟังเรื่องแปลกใหม่สองจะได้วิจัยเรื่องเก่าสามบรรเท่ากังขาสี่เกิดสมาทิฏฐิห้ามีสติมัน่นคงทั้งห้าประการ น, นี้เป็นสิ่งที่ต้องได้แน่แต่ต้องตั้งใจฟัง โยมต้องตั้งใจฟังคืออะไรคือฟังได้ความสงบฟังได้ความสนใจถ้าโยมฟังไปคุยไปพระเทศก็ไม่สงบโยมก็ไม่สงบแล้วเราก็ไม่ได้พบกับอานิสงส์ตั้งหาประการที่ว่านั้น <c oughs> ฟังเรื่องแปลกใหม่แปลกใหม่ในที่นี้เป็นเรื่องดีที่มีสาระ เราฟังไปจะทําให้เรานั้นเกิดสติลําลึกนึกถึงไตรสิกขาศินสมาธิปัญญาอันเป็นสาระที่สําคัญศิลก็เป็นสาระเรียกกันว่าศินสาระสมาธิสาระปัญญาสาระจนกระทั่งเนี่ยประสบพบสาระสําคัญสูงสุดสาระที่วันนั้นคือวิมุตติสาระ ก็เปรวยบวสาระที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้น <c oughs> พ้นจากความทุกข์ชีวิตมันทุกข์นักหรือโยมทำไมพระจึงจูงใจไว้ให้โยมเนี่ย <c oughs> พัฒนาตนพัฒนาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ท่านทั้งหลายคิดดูก็แล้วกันการที่ทำให้ชีวิตอยู่นี้ท่านเรียกว่าการดำรงชีวิต คำว่าดำรงมันคืออะไรดำรงก็แปลว่าประคองเอาไว้หิ้วเอาไว้แบกเอาไว้แล้วถามว่ามันแบกอะไรโยมนึกดูทีเฉพาะขันห้านี่ก็แบกแล้วนะนี่ไม่ใช่ธรรมดาตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วเป็นภาะแล้วไหนจะต้องดื่มน้ำไหนจะต้องหาข้าวปลาอาหาร นี่ตื่นมาแล้วนะรอดมาแล้วนะ <c oughs> อา้าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็พาของหนักไปด้วยในช่วงที่ก็มีการประท้วงนี่รถหยุดไปไหลาสายโทรศัพท์บ่นกันวุ่นวายทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ไม่หนักหรือไงอเห็นไหม <c oughs> นี่นะนี่เราคิดดูว่าท่านจึงเรียกว่าการดำลงชีวิตดำลงก็เป็นว่าหอบไว้หิวไว้หอบอะไรไวหอบของหนัก ถ้าของไม่หนักเนี่ยไม่ใช้คำว่าดำลงเราใช้คำว่าถือเอาไว้หรือว่าหิ้วเอาไว้ธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราหอบเราหิ้วของที่หนักเกี่ยวกับชีวิตของเราเ็าเรียกว่าการดำรงชีวิตคุณโยมนึกดูตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายนี่เราแบกของหนักขนาดไหน บางท่านที่มีกำลังวังชาดีมีบุญวาสนาบารมีมามากนี่แบกไปได้เต็มที่ถึงแปดสิบกว่าปีเก้าสิบกว่าปีแต่บางท่านแบกได้ไม่กี่ปีก็กลับบ้านเก่าท่านจริงใช้กับว่าการดํารงชีวิตก็หมายความว่าหอบผิวของหนักเอาไว้เพราะว่าในชีวิตของเรามันมีของหนักๆมากมาย เฉพาะนี่เนื้อตัวนี้ก็ไม่ต่ำาคนละยี่สิบสาสิบกิโลไปทางนั้นเบาเสือมอไหรหนักที่เนื้อตัวแล้ยังไม่พอนะยังเอาสร้อยคอทองคํามาใส่ก่ไงมันหนักเข้าไปอีกใช่ไหมหนักสร้อยคอเครื่องประดับประดายังไม่พอนายโยมนะเอาเกียรติยศชื่อเสียงใส่เข้าไปอีกมันหนักขนาดไหนเป็นพระก็ใส่พระคูใส่เจ้าคุณเข้าไปขนาดไหนโยมนึกถ คุณโยมมีชื่อเฉพาะยังไม่พอเนี่ยโอ้โแสวงหาจะเป็นคุณหญิงจะเป็นคุณนายกันนักกวีท่านจึงใช่กับว่าดำรงชีวิตเพราะเ่านน้นประคับประคองของหนักไว้ใช่กําว่าดำรงแล้วชีวิตคนเรานี้ถ้าเกิดเป็นเดินธรรมดาเนี่ยก็แสดงว่าเดินไปตัวเปล่าแต่ถ้าเกิดเดินไปพร้อมด้วยหมู่คณะซึ่งหนักท่านใช่กับว่าดำเนิน คำว่าดำเนินก็หมายว่าเดินไปพร้อมกับด้วยกระ บ, บวนการใหญ่ๆอย่างพระราชามหาหา่ากษัตริย์เสด็จไปไหนนี่ใช้คว่าพระราชาดำเนินแม้พระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ดำเนินไปปัจจุบันในประชาชนมอบเดินตามถนนก็เรียกว่าดาเนินเหมือนกันราชดาเนินเป็นไปในถนนนี้เพราะอะไรไปพร้อมกับของหนัก ชีวิตของเราเนี่ยมันมีของหนักเพราะหนักแล้วมันเป็นยังไงละญาติโยมมันสุขหรือมันทุกข์โยมนึกดูก็แล้วกันการที่เราแบกของหนักๆนี่นะเรายังรู้สึกว่าโอ้โหมันนมันหนักมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเมื่อยนั่นเป็นความหนักทางกายแต่ว่าการดำรงชีวิตนั้นมันแบกของหนักทั้งข้างนอกทั้งข้างใน ข้างนอกก็แบกของหนักข้างในก็แบกของหนักพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนนั้นได้รู้จากคําวัฒธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มานั้นถ้าพระองค์ไม่เสด็จสั่งสอนประชาชนเรียกกันว่าพระองค์เนี่ยไม่อุทิศพระวรากายจาริกสั่งสอนประชาชนเสียแล้ว ความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีความหมายเลยก็เหมือนกับพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทั่วๆไปพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้าบรรลุแล้วตัดสุลูแล้วพ้นกิเลสแล้วแต่พระปจเจ ก, กับพรพุทธเจ้าไม่เทศโปรดใครพระพุทธเจ้าท่านก็นอยู่ที่ภูเขาพันธมาร์ทนยพระปัเจกพุทธเจ้านั้นอยู่รวมกันที่ภูเขาคันธมารพอถึงเวลาจะมาบินธบาตท่านก็เหาะกันมา บินธบาตเสร็จแล้วท่านก็เหาะกลับไปที่ภูเขาคันธมาศต่างกับพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าพราะอรามาครูของเราพระองค์ทรงมีพุทธกิจประจำวันชัดเจนเช้าตรู่ี้พระองค์ทรงเล็งพยานว่าจะไปโปรดใครวันนี้จะไปบินธบาตบ้านไหนมันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นในมณฑนนี้ในบริเวณนี้มีการปาระเบิดบ้านใครหรือเปล่า นี่พระองค์ก็สงสอดส่องเลงพยานพระว่พระองค์เป็ส่งส่องโลภายาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับพระองค์ทรงสดับตับฟังข่าวรู้ข่าวแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงอยู่เฉยเฉยพระพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาวันหน้าจะไปโปรดเขาไหมการเสด็จไปของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อสองอย่างเท่านั้นละโยมไม่ได้หวังอย่างอื่นหนึ่งเพื่อประโยชน์สองเพื่อความสุข พระหูชนะสุขายะเพื่อความสุขของชนหมู่ใหญ่พระหูชนะหิตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลของชนหมู่ใหญ่มีพระพุทธเจ้าเสด็จไปเถดด้วยหวังพระไัยสองประการนี้เท่านั้นไม่ได้ทรงมุ่งเรื่องอื่นเลยฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อจาริกไปที่ไหนพระองค์จะทรงนำธรรมะไปสั่งสอนญาติโยมทั้งหลายได้ฟังคำว่าธรรมะกันมามากแล้วตลอดชีวิต อาตมามาอยู่วัด น, นี้ก็หลายสิบปีทุกปีก็ให้จะ ธ, ธรรมะญาติโยมก็นึกว่าญาติโยมมาลุกมาเป็นหมดท่องบทแล้วก็ยังมาฟังกันทุกวันพระก็ยังไม่เห็นว่าจะมีคนไหนเบื่อธรรมะกันเลยฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความรู้ธรรมะรู้ธรรมะไปทาไมเพื่อให้มีธรรมะ มีธรรมะไปทาไมก็เพื่อใช้ธรรมะฟังธรรมะไปนับสตังไปนี่ก็ผมจะไม่รู้ธรรมะไม่มีธรรมะแล้วก็ไม่ได้ใช้ธรรมะแล้วยังห่างไกลธรรมะมากอยู่อย่างนี้อันย่าโยมที่ฟังธรรมะนี่คุณโยมรู้รู้คำว่าธรรมะคืออะไรใครมาพูดอะไรเกี่ยวกับธรรมะคุณโยมก็เข้าใจ แต่ถ้าญาติโยมไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่มีความรู้ธรรมะเป็นพื้นฐานเนี่ยใครมาพูดเรื่องธรรมะธรรมโมคุณโยมก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายมีความเข้าใจเพราะว่าญาติโยมมีพื้นความรู้คำวสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรปัญญาคืออะไรหิริโอตปะคืออะไรเนี่ยญาติโยมที่มาฟังนะฟังธรรมะก็ไม่บ่อ ย, ยมจะเข้าใจว่ามันคืออะไร แต่จะหยุดเพียงแค่ฟังแค่รู้เท่านั้นต้องให้มีธรรมะด้วยเพราะถ้ามีธรรมะจะช่วยให้ชีวิตไม่เป็นทุกข์ธรรมะนั้นเป็นพุทธวิธีกำจัดทุกข์พุทธวิธีก็คือวิธีของชาวพุทธทั้งหลายวิธีขององค์สมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าของเรานี่แหละซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัมภสั ได้ตรัสพุทธวิธีในการกำจัดความทุกข์ให้แก่ชีวิตฉะนั้นเมื่อเรารู้ธรรมะแล้วก็ต้องมีธรรมะมีธรรมะแล้วยังไม่พอต้องใช้ธรรมะให้เป็นด้วยเหมือนกับคุณโยมทั้งหลายนี่เอายกตัวอย่างว่ามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอยู่ในกระเป๋า สมมติว่าลูกเนี่เขาซื้อมาให้กันแล้วกันด้วยความประสงค์ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ติดต่อสื่อสารแล้วดันไปซื้อรุ่นใหม่ซอด้วยไอโฟนเอสห้าอย่างนี้เป็นต้นเอามาให้คุณพ่อคุณแม่รับก็ดีใจแต่ใช้ไม่เป็นนะยอบุคุณนะคุณหญิงท้านหนึ่งนี่ได้รับโทรศัพท์จากลูกชายดีใจใหญ่ โทรศัพท์มาหาอาตมาอาตมาก็ยังไม่ได้รับตอนนั้นเพราะโทรศัพท์ไปอีกทีนึงแกกดรับไม่เป็นมาป่าใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีไปงัดเอาเครื่องเก่าโทรศัพท์มต่อบอกขอโทษหลวงพ่อเจ้าขุนด้วยเมื่อกี้มันใหม่ไปกดรับไม่เป็นไม่รู้มันกดตรงไหนมันไม่เหมือนเครื่องเดิมก็เหมือนกันนะ าคุณโยมฟังธรร ม, มะมีธรร ม, มะแต่ใช้ธรร ม, มะไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อะไรคุณโยมต้องฝึกใช้ธรร ม, มะยกตัวอย่างว่าขณะนี้เราควรจะใช้ธรร ม, มะข้อไหนใครรู้ดีที่สุดเรารู้ดีที่สุดยกตัวอย่างว่าท่านนั่งนานๆไปรู้สึกโอ้ทุกขเวทนามันรบกวนเราก็ควรพิจารณาว่ า, าลองลองใช้ขันติสู้ไปสักหน่อยซิ สู้ไปสู้ไปขันติเกือบจะกลับบ้านกลายเป็นขันแตกทำยังไงใช้ปัญญาเราก็ยักย้ายถ่ายเทจากข้างซ้ายมาเป็นข้างฝาพับเพียบด้านซ้ายย้ายมาเป็นพระเพียบข้างฝายัด ย, าย้ายถ่ายเททั้งซ้ายทั้งฝายังไม่ไหวเราก็ขัดสมาธิขัดสมาธิยังไปไม่ได้รีบหาพระเสาพิงเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ธรรมะ เพราะมันแก้ปัญหาได้ญาติโยมยืนอยู่บริเวณชายคานอกบริเวณชายขาฝนตกมาแดดส่งมาคนที่มีปัญญาใช้ธรรมะเป็นเขาก็จะไม่ยืนตากแดดตากฝนเช่นนั้นรีบผาที่มุงที่บังเช่นลมไม้ชายคาเพื่อไม่ให้แดดไม่ฝนมันสาดมันส่องมันตกรถจะทำให้ร่างกาย เ, ร า, เรามีปัญหา อย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ปัญญาเป็นการมีธรรมะต้องมีปัญญาประกอบเราจึงจะใช้ธรรมะได้ถูกต้องพอใช้ธรรมะได้ถูกต้องเท่านั้นนะความทุกข์มันก็จะหมดไปการดํารงชีวิตของเราที่ว่าดำรงของหนักมันจะกลายเป็นของเบาเพราะเราใช้ธรรมะถูกต้องอันคําว่าถูกต้องนี้มีใครตกใครใช้กันมากในปัจจุบันนี้ อ่านหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายถูกต้องฝ่ายโน้นเป็นฝ่ายไม่ถูกต้องดูข่าวทางทีวีเมื่อคือนนึกก็นั่งดูอ้ามันเป็นยังไงโอ้มีกลุ่มนั้นมีกลุ่มนี้มีกลุ่มโน้นแต่ละกลุ่มก็กล่าวหากันว่ากลุ่มโนูน้นมันกลุ่มไม่ถูกต้องสู้กลุ่มพวกเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่ถูกต้องถ้าต้องมาก็มานั่งนึกในใจไว้ไอ้ถูกต้องนี่มันคืออะไร ถ้าจะเอาคำว่าถูกต้องแบบชาวโลกก็คงจะไม่ไหวก็พลิกดูในพระไตรปิฎกว่าถูกต้องของพระพุทธเจ้านี้คืออะไรในที่สุดก็เราไปพบคำว่าสัมมตังสัมมตังความถูกต้องในทัศนะของพระพุทธเจ้านั้นมีสิบความถูกต้องด้วยกันสิบความถูกต้องนั้นถ้าจะย่นย่อลงมาก็หรื อ, อยุสองความถูกต้องเดยจะไหวยโยมฟัง แต่ข้อสาคัญคุณโยมก็ต้องฟังให้ถูกต้องนะก่อนจะพูดถึงเรื่องความถูกต้องคุณโยมต้องฟังให้ถูกต้องสิบความถูกต้องพระพุทธเจ้าก็คือความถูกต้องแปดประการแรกนั้นก็คืออริยมรตมีองค์แปประการเห็นไหมฮสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมัตตข้อแรกแปลว่า รู้อย่างถูกต้องฟังอย่างถูกต้องศึกษาอย่างถูกต้องและเข้าใจอย่างถูกต้องเสียก่อนประการที่สองสัมมาสังกัปะปะแปลว่าตั้งความปรารถนาตั้งอกตั้งใจตั้งเจตนาจะทําอะไรก็มีความถูกต้องสัมมาวาจาก็แปลว่าเจรจาสื่อสารอย่างถูกต้องพูดถูกต้องและประการต่อมาสัมมากัมมันตะก็คือทําหน้าที่ถูกต้อง หน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของพลเมืองหน้าที่ของพระเจ้าประสงค์ต้องมีความถูกต้องสัมมากมัมโตสัมมาอาชีวก็คืออาชีพถูกต้องอาชีพของเราชาวไทยทั้งหลายเป็นชาวไร่ก็ทำไร่เป็นชาวนาก็ทำนาเป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนี่เป็นหน้าที่ที่ถูกต้อง ปัจจุบันก็มีอาชีพใหม่ขึ้นมาคือรับเดินม็อบจังถูกต้องเหมือนกันว่ากันไปแล้วก็สัมมาวายามโอพยายามถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นแปดอย่างนะโยมนะยังมีอีกสองอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เหมาะมากคุณโยมต้องเอาให้ถึง ความถูกต้องประการที่ต่อมาประการที่เก้าก็คืออะไรสัมมาญาณนะญาณตัวนี้คือการพัฒนานให้ความรู้สึกของเราสูงกว่าความรู้สึกตามธรรมชาติความรู้สึกที่มันเกิดเองเราเรียกกันว่าสัญชาตญาณแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความรู้สึกที่เหนือสัญชาตญาณ น, นี่แหละเป็นญาณนะเขาเรียกว่าสัมมาญาณนะ ความรู้สึกที่มันเป็นสัญชาตญาณเป็นยังไงญาติโยมมันเกิดขึ้นเองสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นเล็กมานี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเองความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยคุณโยมไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็ามาเองยกตัวอย่างขณะนั่งฟังเทศเนี่ยเริ่มง่วงเงติโยมจ้างมันมาไม่ความงม่งนะแต่มันเกิดเองมันเมื่อย มันหิวมันกลัวมันระแวงต่างๆนี่เป็นต้นนี่เป็นสัญชาตญาณทั้งหมดชอบไม่ชอบนี่เป็นสัญชาตญาณ น, นะคุยม์นะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการหรอกชอบใจก็เกิดความยินดีเกิดความพอใจอยากได้ผูกพันนี่มันเป็นสัญชาตญาณทั้งหมดแต่สัญชาตญาณทั้งหลายเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ให้มันกนระเบอเสบสารเกินไปนี่ สิ่งที่ควบคุมไว้ได้อันนั้นต์และมันเป็นญาณนะเรียกว่าพาวิตญาณแต่ถ้าคุณโยมไม่ปล่อยคุณโยมปล่อยไม่ควบคุมมันเลยให้มันตะเลิเดเปิดเปิงไปตามเรื่องนี่เขาเรียกกันว่าอะไรไหมเขาเรียกกันว่ากิเลสเลยตอนนั้นกิเลสมันเกิดจากสัญชาติญาณนี้เองอันถ้าเกิดว่าเราเองได้รับการอบรมดีมีความรู้ดีแล้วก็คุมมันไว้ได้ พอคุมมันไว้ได้เท่านั้นสัญชาติญาณก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเราทั้งหลายญาณตัวนี้พระพุทธเจ้าตัดเรียกว่าสัมมาญาณ น, นะพอเราได้ญาณตัวนี้เท่า น, นั้นอะไรมันเกิดตามมาสัมมาวิมุติทําให้ชีวิตของเราหลดุดหลุดพ้นจากการผูกพันในสิ่งทั้งหลายฉะนั้นถึงฉัน ถ, ถึงใช้คําคํานี้ว่าปล่อยเป็นเย็นได้ เพราะอะไรเพราะเรามียานะตัวนี้ปล่อยเป็นเย็นได้แต่ถ้าเกิดไม่เกิดยานตัวนี้ปล่อยก็ไม่เป็นเย็นก็ไม่ได้เกิดอุปาทานเกิดความคิดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายการดำรงชีวิตของเราก็มีความทุกข์มากขึ้นทางกายก็ทุกข์แล้วทางจิตใจก็ทุกข์อี และอันว่าจิตใจนั้นมันทุกข์ก่อนที่เราจะแก่จะเจ็บจะตายจะด้วยซ้ำไปทุกกายนั้นมันยังมาเป็นงวดงวดเกิดมาแล้วบางคนวาสนาดีมากได้ธาตุได้ขันดีมีความแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยรบ ก, กวนก็ยังไม่ทุกข์จะเป็นภาระเฉยๆไม่จัดว่าเป็นทุกข์แต่ว่าจิตใจนั้นสิมีทุกข์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กเพราะอะไร เพราะไม่มีการอบรมญาณตัวนี้ชีวิตของเขานั้นปล่อยไปไปตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณ น, นี้เป็นที่มาของอะไรเป็นที่มาของอนุสัยเป็นที่มาของนิวรและเป็นที่มาของกิเลส <c oughs> อนุสัยหมายถึงความเคยชินชอบอะไรจนเกิดความเคยชินก็เกิดความยินดีทำให้เกิดความอยากได้ พออยากได้ก็เป็นกิเลสตัวแรกแล้วคือตัวโลภะลักษณะของกิเลสตัวแรกมันคืออะไรล่ะก็คือว่าดึงเข้ามาเพื่อต้องการจะกอดไว้รัดไว้เก็บไว้เอาถ้าเกิดไม่ชอบเกิดความไม่พอใจก็จะทำไงต่อไปก็ดันออกไปดันออกไปทำไมใ ห, ให้มันพ้นไปต้องการจะทำลายต้องการจะไม่ให้มันมีอยู่ ไม่ต้องการใช้ปรากฏอยู่ในตาในใจในธรรนองนั้นทํำลายมันหมดเปี้ยงไปเป็นเรื่องของโทสะแต่ถ้าเกิดว่าดึงก็ยังไม่ดึงดันก็ยังไม่ดันคอ ย, คอย ด, ดูมันอยู่ตัวนี้เป็นโมหะโมหะนี้ยังไม่จัดเป็นโลภะยังไม่จัดเป็นโทสะแต่ว่ามันจะกลายเป็นโลภะเป็นโทสะในวันข้างหน้าหรือในนาทีข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้น ถ้าหากว่าเราปล่อยให้ความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินพอเกิดให้เป็นความเคยชินอย่างนี้สะสมแต้มไว้เรื่อยๆชอบเคยชินเก็บไว้ในขันตสันดานท่านเรียกวันในนิสัยสันดานในตอนนั้นมันเป็นอนุัสอุปมาเหมือนเราเก็บเหล้าไว้ในไหยแยมฝาไว้นิดๆ กลิ่นเหล้ามันก็โชยขึ้นมาการโชยขึ้นมาของกลิ่นเหล้าตัวนั้นเหมือนคล้ายการโชยขึ้นมาของอนุสัยมันโชยขึ้นมาปรากฏเป็นเรื่องของนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งกั้นใจไม่สงบสุขกลิ่นสิ่งเมื่อที่มันกั้นมันกีดกันใจไว้ไม่ให้จิตของเรามันติดกับความสุข ทุกวันนี้เรามีนิวรณ์รบกวนจึงต้องเจริญอาณาปานสติหรือทำกรรมฐานข้ออื่นก็ได้ไบ่อยๆยมทำเถอะแล้วจิตของเรามันจะไม่ถูกนิวรณ์รบกวนนิวรณ์ในเรื่องอะไรในเรื่องที่เรารักในเรื่องที่เราใคร่ว่ากันตรงๆเลยก็คือนิวรณ์ในเรื่องเงินทองมากที่สุด เอ๊วันพรุ่งนี้มันจะออกเลขอะไรนะั่นเลยทายสามตัวรางวัลที่หนึ่งซื้อไว้มันจะผ่าไม่นอเลยแต่นี่นิวร์แล้วนี่มันนิวรแปลว่ามันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องประโยชน์เ ร, รชนเรื่องเงินเรื่องทองดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า น, นะคหาปณ ะ, ะวเสนติติกาเมสุวิชิติที่อาตมาได้ยกเป็นอุเทนวะก็เพราะอาศัยเงินเป็นเหตุ จึงทำให้คนเรานี้มีความพล่องไม่รู้จักความอิ่มในเรื่องที่ปรารถนาก็เปรีวในกามทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้ที่วุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี่คุณโยมไ ม, ไม่ไม่คุณโยมนึกดูไม่ใช่เพราะเรื่องเงินเลยสแสวงหาอำนาจว่าสนากันก็เพื่องเงินตัวเดียวอยากจะมีเงินมากๆได้เงินมาแล้วจะละเนะมิตบ้าน จะได้นั่นจะได้นี่ต่างๆนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดเลยนกหาปณะวะเสณเพราะอำนาจของเงินอย่างเดียวจึงทำให้โรคนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพร่องอยู่เป็นนิดคิดกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรอะไรจะเป็นเครื่องมือจะทำให้ได้เงินทองมาความคิดชนิดนี้เป็นความคิดที่ตกไปอยู่ในกลุ่มของสันชาติญาณ เป็นความรู้สึกที่คนและสัตว์มีเท่ากันหมดแต่ถ้าผู้ใดมีการอบรมสติปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วจิตของเราจะอยู่เหนือความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้ตรงนี้แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้ทุกข์ฉะนั้นคุณโยมไม่ต้องการแจ่นิวรตัวหนึ่งตัว ใ, วใดรบกวนไม่ว่าจะเป็นจิตของเรานี้นะเกิดความคุ้นคิดไปในเรื่องของกามสิ่งที่อยากได้หรือในเพศ ในผิวพันในสิ่งสวยงามทั้งหลายเนี่ยหรือประการที่สองจิตของเราไปคล้องแวะเนี่ยอยู่กับเรื่องโกรธเรื่องเคืองเรื่องชิงเรื่องชังประการที่สามจิตพวกเรามันระเหียมันเปรี้ยมันเพี ย, ม, พยมันท้อแท้ทดถอยมันเซ็งมันซึมมันเศร้าประการต่อมาจิตมันคิดฟุ้งซ่านเตริดเปิดเปิงไปเรื่อยตัวอยู่ที่โบสถ์นี้แต่ว่าใจาไปนูนน่น ไปต่างประเทศก็มีไปที่บ้านก็มีอะไรทํานองนี้เขาเรียกฟุ้งซ่านและประการต่อมาในข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาเนี่ยคุณโยมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีความสะดวกในการเดินทางหรือเปล่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตหรือเปล่าในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอ๊ไปตวรวจเลือดที่โรงพยาบาลไว้วันพรุ่งนี้ก็ไปฟังผลเราจะเป็นยังไงนาะคิดกังวลใจเป็นต่างๆน า, านาทำนองนี้เป็นเรื่องของนิวรทั้งหมด แล้วนี่วอร น, นี่นะมันเกิดขึ้นแล้วมันลบควรความสงบสุขในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นชัดพอเกิดนี่วอรนต่อไปแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดกิเลสไอ้กิเลสมันยังไม่เกิดเพราะยังไม่มีสิ่งล่อแต่พอมีอะไรมาล่อใจเขาเท่านั้นกิเลสมันเกิดเลยทีเดียวโยมคนหนึ่งไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า ไอตอนออกจากบ้านก็ยังไม่เกิดกิเลสเลยโยมแต่ไปในห้องห้างเสพสินค้ากิเลสมาทันทีเลยพอเขาเผลอปั๊บไปขโมยรองเท้ามาสามคู่กล้องวงจรปิดเขาจับได้ในที่สุดก็ถูกเท่ากับที่ตำรวจเขาจับตำรวจคนที่เป็นเจ้าของคดีก็สงสัยว่าทำไมคุณขโมยเยอะเหลือเกินต้องสามคู่ เขาบอกเขาแมา่เขามองดูแล้วมันรักพี่เสียดายน้องจริงๆเลยขโมยทั้งสามคู่เลยเขาว่างั้นไอ้ที่ขโมยสามคู่เพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งยั่วยวนกวนใจใช่ไหมล่ะมันเกิดกิเลสตอนนั้นมันเกิดแล้วกิเลสนี่นะกิเลสเนี่ยมันชัดเจนมากแต่นิวรมันไม่ชัดเจนแต่เรานั้นตกเป็นทาตุคนนิวร อ, อยู่ตลอดเวลาพระธรรมาจึงแนะนํนาติายมว่าถ้าเราไม่ต้องการทุกประเภทนี้ขอให้เจริญสติกันเถอะ ก้าเข้าโบสถปุ๊บคุณโยมไม่ต้องพูดจาสนทนาอะไรกันนักโดยเฉพาะการยืมเงินกันห้านยืมในโบสเล่นแช่ก็ห้ามเล่นในโบสขอให้โยมเนี่ยนะะเจริญสติกันเถอะนี่อาตมาให้พระตะเตรียม อ, ศอัศนีย์โยมนั่งเพื่อให้โยมจเจริญสติให้เต็มที่จเจริญสติด้วยการกําหนดลมหายใจเขาออกก็ได้กําหนดรู้ดูตามไปในเรื่องของกายก็ได้ท่านนั่งอย่างไรเนี่ย หลับตาพี่นาคุณโยมทำเถอะเวลาที่เรามีอยู่นี่มันจะดีมากๆพอเราจเจริญสติแล้วจะทําให้สติขนมแรงมันเร็วมันเร็วเหมือ น, นกับสายฟ้าแร่แบบแป๊บเลยนะสติตัวนี้มันจะไปทําหน้าที่อะไรดึงเอาปัญญาคือความรู้ที่เราได้ฟังพระมาแต่ละลูกแต่ละลูกเช่นสิาคัามภพระเดช พ, พระคุณท่านยจคุณเจ้าวาดท่านจะลงมาเทศแต่เนื่องจากท่านเดินทางไปไประชุมต่างประเทศ ข้าพนี้ภารกิจท่านจะต้องไปประชุมกับมหาวิทยาลัยในประเทศพมา่าเพื่อต้องการที่จะเซ็นสัญญาระหว่างมหาจุฬากับมหาวิทยาลัยในประเทศพมา่าโดยการนําของรัฐบาลในวันนี้นะท่านต้องเดินทางไปความรู้ที่ท่านมาเทศหรือองค์ไหนมาเทศก็ตามยม ถ้าไม่มีสติไม่มีความหมายเลยความรู้นั่นก็นลอยไปกับอากาศหมดแต่ถ้าคุณโยมเจริญสติปุ๊บเน่นะฮะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีสติทรงละลึกย้อนหลังไปได้นับเป็นแสนแสนชาติเพราะพระองค์ทรงเจริญสติมาเข้มข้นมากสติชัดเจนเร็วและก็แรงถ้าคุณโยมเจริญสติอย่างนี้ได้แล้วก็รับรองเลย เราจะไม่เผลอมันจะเผลอได้ยังไงจะโกรธทีนึกถึงคำที่พระเทศแล้วโอ้หลวงพ่อท่ายาคุณเจ้าวาดเทศอย่างนี้หลวงพ่อธ่ายาคุณพระราชธรรมวาทีเทศอย่างนี้เจ้าคุณบุญมาเทศอย่างนั้นมันโกรธไม่ไหวเพราะว่าคำเทศมันเตือนจิตสกิดใจเราอยู่ตลอดเวลา นั้นสติเลวนะมันจะทําหน้าที่ในการนําเอาปัญญามาแก้สติมาปัญหาไม่เกิดสติตะเะลิดมันจึงเกิดปัญหามันรวมรวมอย่างนี้ฉะนั้นความรู้สึกของเราทั้งหลายปรารถนาเรื่องนั้นปรารถนาเรื่องนีน้ถ้าเรามีสติเท่านั้นเราก็นึกถึงคําของในหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนะี่ยพระองค์ทรงพระราชทานให้ประชาชนชาวไทยนั้น ดำรงชีวิตดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงคิดเพียงเท่านั้นความโรคระโมกของเรามั น, นลดลงแล้วเราก็ทําอะไรให้มีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องอยู่เสมอทีนี้สรุปคําว่าถูกต้องของพระพุทธเจ้าสิบประการแล้วสรุปลงในคำสองคามันคืออะไรคําหนึ่งถ้าเป็นความถูกต้องที่แท้จริงแล้วจะต้องไม่เป็นโทษ ต่อตนและคนอื่นประการที่สองอะไรถ้าเป็นความถูกต้องแล้วจะต้องเป็นประโยชน์ต่อตนและคนอื่นการทําใดๆที่ยังแฝงโทษพิษภัยต่อคนอื่นแต่ตัวเองได้รับแต่ประโยชน์นั่นยังไม่เป็นความถูกต้องฉะนั้นความถูกต้องในความหมายของพระพุทธศาสนาก็คือว่าไม่ก่อ เป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่ตนและคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันนำมาซึ่งประโยชน์ส่วที่ผลต่อตนและคนอื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในโรคนี้เป็นประโยชน์ในโรคหน้านำประโยชน์ทั้งสองมาให้แก่ตนและคนอื่นนี่คือคำว่าถูกต้องรวมความว่าวันนี้อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาว่า เพราะเราใฝ่ฝันในเรื่องอำนาจวาสนาเงินทองจิตขลอดจึงพล่องไม่รู้จัดอิ่มกลายเป็นจิตที่หิวอยู่ตลอดเวลาแล้วหิวนี่สบายไม่ยมทุกข์ท้องหิวเราก็ยังเป็นทุกข์และใจหิวมันยิ่งไปกว่านั้นทำยังไงดีมีสติลำรึกนึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้า การที่เรามีสติก็รักษาจิตไว้ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเป็นเอกคตาจิตไม่เกิดปัญหาเพราะไม่ถูกกิเลสมันมาดึงไปไม่ถูกกิเลสเนี่ย <c oughs> มันมาฉุดกระชากลากไปทําให้ใจก็ เ, เราตกเป็นทาสของมันอยู่กับสติเช่นนี้จิตของเราก็จะไม่พล่องจิตของเราจะมีความสงบสุขเพราะเราหลุดพ้นจากการบีบบังคับของนิวรณ หลุดพ้นจากการบีบบังคับของกิเลสทั้งหลายดังในที่ชี้แจงแสดงมาในท้ายที่สุดก่อนที่จะได้อํานวยอวยพรให้กับญาติโยมขอประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายที่โปรดทราบสูุกันว่าอีกไม่นานชาศาลากา ร, ปรเปรียญของเราต้องพัฒนาบุรณะแล้วนะคุณโยมจะไปถวายสรงน้านที่นั่นกันไม่ได้แล้วพระโวสดนี้ก็เอาเนี่ยนั่งร้านมาวางไว้รอบโบสถ์เต็มหมดแล้ว จะบุรณะแต่วันพระคุณโยมยังมาทําวัดกันได้อยู่มาฟังเท่กันได้อยู่อาตมาก็จะเริ่มสักหลาดใหม่ญาติโยมทั้งหลายช่วยกันนะพระที่ท่านลงนั่งฟังธรรมทั้งหมดนี้จัดของเท่ทำถวายท่านหมดเลยแล้วสังฆทานนจะมีอาหารถวายตรงนี้เลยต่อไปนะส่วนญาติโยมนั้นใช้วิหารครนี้อาตมาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโยมทุกวันพระในขณะที่ยังมีการพัฒนาบูรณะอยู่นี้ยังไม่เสร็จนะ โยมเป็นนั่งทานอาหารที่วิหารคนโน้นถวายสังทานที่นี่หมดเลยปเดีย๋ยวญาติโยมวันนี้มีเจ้าภาพสองสามคนสังฆทานและปัจจัยถาวายพระไม่ได้มาเราถวายองค์ละสองร้อยเครื่องคราวต่างๆที่เป็นเครื่องเทรรมนั่นนะ่ะต่อชุดชุดละห้าร้อยบาทกุโยมถ้าคุณโยมไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะห้าร้อยบาทคุณโยมก็เป็นเจ้าภาพกันในวันนี้ ถวายคนละองคนละองค์เนีย่ยพระพิสุ์สัมมาเนรวัดเหล่าบางวันไม่มีอาหารฉันโยมรู้ไหมวันนี้ในช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเจอกอปอปอสอแล้วมันอัลลวาดไม่มีใครใส่บาตรกันเลยในตอนนี้พระเนรไม่ได้ฉันอาหารกันเนี่ยจ้าธรรมาก็สงสารพระด้วยกันจัดอาหารถวายท่านเฉพาะวันพระเป็นสังฆทานนะโยมนะบอกให้คุณโยมย้อนได้ทราบคุณโยมย้อยก็ถวายสังฆทานชุดหนึ่งเป็นพิเศษ เดี๋ยวนั่งตังหัดนะให้พรพิเศษด้วยนี่ก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบเพื่อให้ทุกท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญสุนทานเพื่อเป็นการรักษาพระศ า, าสนาให้กำลังพระพิสุสมเนธอัธรรมภาควอนหมู่ธนาสาธุการล่วงหน้ามันโอกาสนี้ อิมินากะตะบุญเยนะขอามนา่ากุศลผลระบุญที่ญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสัดับตรับฟังปธรรมเทศนาถวายสังฆทานหรือบำเพ็ญบุญกุศลอื่นใดก็ตาม <c oughs> ขอให้อำนาจบุญกุศลทั้งหลายจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะพรวะปัจจัยอำนวยอวยัยญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่าน จงประสบกับความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดเปสิ่งที่ชอบประกอบได้ทรย้วยสิ่งนั้นจงประสบความสาเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทศนาบรรหารดังในที่ชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี